ในภาวะหน้ามี่ข้มอดข้มทนเอาควอมอดข้มทนไว้เป็นเป็นเบื้องตนตะพันมันโอด้ดมันทนอันทนกัแม้นว่าแนาอ่อ่โบมักนั่นแหละแนวมันเดือดมันหอนแนวเดือดแน่ร้อนนั่นละ่ะเป็นแนวสีทองด้ทนแนวโบมกักในโลกนี่มีแต่นแนวโบมกกักหลาย น่ย้บมมาถึงไร่แย่ๆอันที่รอมตัวเข้าอ้อมไว้อยู่นี่กับตัวยิ่งๆมั น, น, นต่มแก่ขเจ็บรมสายเ น, นี่ยตัวย่งอ้อมไว้อยู่แล้วนี่ยแต่นน่เขาบวมักเท่นั้นแหละอย่างอื่นอีกแน่ย้บมมาน่ยข้อบวมม่ันเข้าตั้งเข้าประสการขมม้อมอย ค่วมอิดควมเมื่อยค่วมปวดหันเจ็บมีควม่ ว, ค ว, ม, ค ว, ม, ควมผิวค่วมหรอนปวดหนาวโวดดิ่วมบพ่อใจคววมพัดปาอยากแนวห้องมากค่วมได้ฟอกับบแนวบบมากแนวบมา ก, กกันลแล้กิยังมาให้ฟองพบ อดไรมาพบมาปอ่อยู่นี่แหละเนี่ยเป็นสิหล่ะเนี่ยห้องตรงอดตรงทนคือจังกว่วมสี่เกียดติสี่ข่านเป็นสิมันเมื่อยมันขี่ข่านก็ตรงอดตรงทนทนเอาอดเอาจะเปลาจะเปล่าตายนี่แหละอดไว้ทนไว้พนเจ็บพุมป่วยไม่หดป่วยสุขุนสุข้นป่วยเป็นธรรมดาเนี่ยนี่สุ ข, ข้นป่วย ป่วยสุญามเน่นแท่อายุหลายสมายแล้วว่ามันป่วยอยู่ตลอดเวลาเนะนี่ยนี่จังไดจังยู่ได้คนเนี่ยมักที่บ่อป่วยเนี่ยกระผมมากแล้วนี่จังไดจังอยู่ได้สั่นพยันเ์ทออดทนนี่นะบบล่ะมันยังอยู่ไ ด, ด, ด้มัน้นอยู่พยายามทนอดทนอดท น, นอยู่เรื่องที่แหละมันหมอเอายาไม่ให้กินแล้วหมอมากีดยาแล้วหมอปัวแล้ว มันกับโมเมนต์เท่าท่นที่หละมันก็ยังเจ็บยังปวดยังควยนั่นนั่นเป็นผู้ใดคะเนี่ยเอเมนกับฟ้องนี่แล้วอดเอาทอนเอาเนี่ยเป็นผู้ใดผู้คิดใจดีๆแล้วเนะ่ยการนานถถาอดการทนเป็นใจเนี่ยแล้วมันอดมันทนอ่ะเั็นใจตั้งดีดีเนียมันมันกับพ่อได้พออดพอทนได้อนนยู่มันก็เจ็บอยู่น่ะแต่ว่ามันกัอดเอามันกับพ่อยูพ่อ พอทนได้คมันทนบ่ได้เราตายอันเจ็บป่วยนี่ทนบ่ได้เราตายแต่ว่าควบเจ็บควมป่วยเมื่อก่อนค่อยๆไล่คืนเนี่ยแหละไลขึ้นจนไปหดวังมันเหลือทนเกินทนเหนื่อยมันก็ตายตายทุกคนนี่แหละที่นี่อันเท่าที่ภาวนาดืวยกัน ถ้าเตรียมตัวนี่กันจะฝึกพ่วมอดทนนี่แหละไว้กันอดทนตะกอนมันเมื่อยมันกี่ข้านก็อดเอาทนเอาย่างจงกมนั่งภาวนาอ้ที่มันบม่อยากเค็ดก็อดเอาทนเอาโดนไปโดนมากมันก็เป็นภาวนาใจก็เต็มแข่นขื่มใช่ไหมฝึกทางนักกีฬานี่แล้วเขาจะออกกําลังกายที่แรกมันก็เมื่อยไปสั่นทั้งเมื่อยทั้งขี้ข้านไปออกแรงออกกําลัง แค่ว่าอดเอาอดเอาเนี่ยเดินไปมันจะเต็มแข็งข้นเนี่ย้เนี่ยร่างกายแข็งแรงขืนทั้งศาสนะควมขีพันก็มายออกไปเนียนี่นหละควมดีของการอดทนนี่ยมันดีอยู่ที่ต้องได้ใส้เมื่อูัวคนอะไยุ่เนี่ยแบบท่อนี่เกียร์ย่วยมากเ่้นแตอยุ่รงให้บาลเ้วสีเฮ็ดยังไรหมอเขามาให้ยามาสียาแล้วเขานี้แล้วเีทยซุ้มเหลือแมนไถเนี่ย มันเจ็บของคนนี่เอาคิดยังไงเจ็บของ่ก็อดคนจ้ะอดเอาทอนเอาสั้นๆหลายวิธีการมันอดกระ ท, ทั่งสกุ้ ม, มเจ็บซ้ำน้าใจในี่ที่เขาต้องอดผนผู้ได้อดทนก้มเจ็บซ้ำน้าใจได้เนี่ยมันสีทําให้ลมเย็นเจ้าของกับสิลมเย็นมูพวกกับลมเย็นเอบ้านเมืองลมเย็นผ่านท่ออดบ่ได้ทนไยมันวืน้อออกมากวกเนี่ยแหละ ให ม, ม, ม, ม, มท่ทั้งเจ้าของใหม่ทั้งมูใหม่ทั้งฟอทั้งเมทั้งญาติพี่น้องบูขณะซึังบ้านทั้งเมืองวัดว่าอารามเั่นนั่นเ น, น, นี่ยขันทอดตไว้ทนไว้นี่ยมันเป็นการประทั้งตัวคนว่าขันตีอ พ, พุทธเจ้าสัตว่าขันตีปรมังสโปูตีสิฆ่าความอดกันคือความทนทานเป็นสบายอย่างยิ่งสบะยไปว่าแขา็เผามันเผาหนัง เผาข่วนเดือดร้อนค่วมเดือดร้อนมันก็เริงจะเกิดมันเอาตะบะนี่เผามันจนใหม่มันกมเกยเศร้าเศร้าเดือดร้อนมันเกิดแท่นที่มันจิดเดีออกมาห่อนใจมูใ้พวกใจเจ้าของใจคิดใจใจเมันก็หยุบไปเหนเนีนั่นล่ะมันแสบเขาทุอ่าอดเอาด้หัดอดหัดทนโมเมนว่วามี่ยังเรวฟาวเลีนไปโหลดแรนไปหาหมอโลด ใหโอ๊ดเอาชอนเอาให้มันสะชับถ้าวันแล้วพันตั้งใจโอ๊ดไปรื่อไรงไม่ติเก่งดอกเกง่งเลากระโมี่คู่ได้นุ้คู่ได้ม่หยาดเอาดอกคว่ำเก่ง่ลยจะเป็นเท่านั่นแหละใหญ่มไ ด, ม ด, ดใส่ประโยชน์คุณน้าบัดย่ำที่ตายคุณน้าบัดตีโอ๊ดใส่ที่แค่ละคว่ำว่ไดโอดได้บัย่ำสุดเอาคมอดทนทน